ันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมมีความปรารถนาที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นความเจริญและความสุขของจิตใจนี้ที่เราเรียกว่าความเป็นสิริมงคลความเป็นสิริมงคลนี้ไม่ได้หมายถึงความเจริญทางลาบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆที่เป็นของชั่วคราวที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ความสุขความเจริญของจิตใจเป็นทิ่งที่สามารถที่จะยกระดับให้สูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดความเจริญของจิตใจก็เริ่มตั้งแต่ขั้นของมนุษย์ อยากมนุษย์ก็สามารถขึ้นไปเป็นเทพอยากเทพก็ไปเป็นพรหมอยากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่เราเรียกว่าความความเป็นมงคลคือความสุขและความเจริญของจิตใจของสารโลก ธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกันก็เกี่ยวกับความเป็นมงคลนี่เองก็คือเรื่องการสนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในมงคลละสตรมงคลสาสดข้อด้วยกันหนึ่งในสาสิบปดข้อนั้นก็คือ การสนทนาธรรมตามโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังการมุตตมังเพราะการสนทนาธรรมจะนำไปสู่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ความสุขและความเจริญของจิตใจก็จะตามมาเป็นขั้นตามกำลังของธรรมที่ได้ปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนการฟังธรรมก็จะได้เรียนรู้วิธีการสนทนาธรรมก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันทางด้านธรรมะธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟัง เวลาที่เราสนทนาธรรมกับผู้ที่ทรงธรรมและถ้าธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่ได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทําให้กําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะทำให้จิตสงบผ่องใสอันนี้คือคุณประโยชน์จากการสนทนาธรรมและธรรมที่ได้ยินได้ฟังถ้านำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับของการปฏิบัติ ธรรมะหรือหัวข้อที่ควรจะสนทนาธรรมกันนี้ก็มีอยู่สิบหัวข้อด้วยกันเป็นธรรมะที่จะเอามาใช้ในการขัดเกลกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง ความยากต่างๆห mm ัว hmm. ข้อธรรมที่ควรจะสนทนาก็มีอยู่สิบหัวข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คือความมักน้อยควรจะคุยกับเรื่องของการมีความมักน้อยข้อที่สองก็คือสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดข้อที่สามก็คือไม่คลุกคลีกัน ไม่สังคมกันควรจะอยู่ตามลาพังเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ตามลาพังข้ข้อที่สี่คือการฝึกวิเวกการไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพราะความสงบวิเวกทางกายจะทำให้เกิดความสงบความวิเวกทางใจ ข้อที่ข้อที่ห้าก็คือเรื่องของการทำความเพียรต่างๆความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติทำที่จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติก็คือทำข้อที่หกก็คือเรื่องของการรักษาศีลคุยเกี่ยวกับการเรื่องรักษาศีลว่าศีลมีอยู่กี่ข้อมีอยู่กี่แบบ เส้นสิ้นห้าสิ้แปดสิสิบสิ้ 10, สองรอยี่สิบเจ็ดข้อเป็นต้นให้เรียนรู้ไว้ว่าศีลเหล่านี้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องการปฏิบัติถ้าเราจะต้องการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นคุยเรื่องศิ่แล้วก็คุยเรื่องสมาธิสมาธิเกิดการฝึกจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบ แล้วก็คุยเรื่องปัญญาคือความรู้ความฉลาดที่เห็นสัตยธรรมความจริงของชีวิตคืออริยสัจว์่และายรับอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พูดถึงวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะเป็นผลตามมาจากการปฏิบัติธรรมต่างๆ แล้วก็ข้อที่สิบก็คือวิมุตติญาณทัศนะคือยานที่ได้อย่างทราบแล้วว่าจิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในขั้นนี้แล้วในขั้นนั้นแล้วเรียกว่ายานะวิมุตติยาณทัศนะนี่คือสิบหัวข้อของธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะสนทนากันเวลาที่พบปะกันเวลามีโอกาส ที่จะต้องคุยกันสนทนากันกล้า้สนทนาะท่านเรื่องธรรมะเพราะเรื่องธรรมะจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับไม่ควรที่จะคุยเรื่องอื่นเช่นเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องนินทากาเล่ เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เป็นเรื่องที่คุยไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ให้แก่จิตใจอาจจะกลับทำให้จิตใจขุ่นมัวขึ้นมาก็ได้ควรหลีกเรื่องไม่ควรจะคุยเรื่องทางโลกไม่ควรจะคุยเรื่องลาบยศสลาเสริญเรื่องการหาความสุขจากรูปเสียงกตินรถโพธิพัชชนิดต่างๆให้มาคุยเรื่อง สันโดษเรื่องมากน้อยข้อแรกคือความมากน้อยเพราะความมากน้อยนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาสิ่งที่จําเป็นต่อการเลี้ยงชีพคือให้ยินดีตะให้หาเท่าที่จําเป็นให้มีเท่าที่จําเป็นในการบริโภคปัจจัยสี่ อยู่กินแบบมักน้อยก็คือเช่นอาหารก็กินวันละมื้อก็พอ<ม>เสื้อผ้าก็มีสักสองสามชุดไว้ใส่ไว้ซักไว้เปลี่ยนก็พอ<ม><ม>ที่ อ, อาศัยก็เป็นที่ที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านหรูหรา<ม>เป็นข้อรหัสใหญ่โต<ม><ม>เป็นพอที่หลบแดดหลบฝนได้<ม>ยารักษาโรคก็ รักษาไปตามตามอัตลาพมีทางรัฐบาลก็รักษาให้มีสามสิบบาทก็รักษาได้ทุกโรคไม่ต้องไปกังวลกับการที่จะต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงในการบริโภคปัจจัยเสี่มันก็จะทำให้ต้อง เสียเวลากับการไปหาเงินทองมาเพื่อมาใช้ใจกับการบริโภคปัจจัยสี่ถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามากถ้าใช้มากก็ต้องหามากถ้าหามากก็จะเสียเวลาไปกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองเวลาที่จะเอามาให้กับการปฏิบัติธรรม ก็จะมีไม่มากขอนักปฏิบัติจึงต้องยอมอยู่แบบแบบยากจนพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าบอกให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเงินทองนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์สำหรับผู้ครองเรือนก็ตามแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วจะมาเป็นอุปสรรค เพราะถ้าจะมีเงินทองติดตัวมาก็จะเกิดการเกิดกิเลสความโลภอยากได้ปัจจัยสีที่หรูหราที่สุขที่สบายเกินความจำเป็นก็จะใช้เงินใช้ทองไปซื้ออาหารไปซื้อที่อยู่อาศัยไปซื้อเครื่องนุ่งห่มไปซื้ อ, อยารักษาโรคเมื่อมีใช้เงินใช้ทองก็ต้องหาเงินหาทองมา เติมอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมก็จะไม่ค่อยมีนั่นเองพระพุทธจาถึงทรงไม่ให้พระที่มาบวชนี่ผู้ที่มาบวชนี้มีทรัพย์สมบัติเงินทองติดตัวมาให้มาอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนยากจนอาหารก็ให้อาศาาัยการบินทบาทอยากผู้ที่มีจิตเมตตา เป็นการทำหน้าที่เป็นการตอบแทน<ม>เป็นการทำหน้าที่ตอบแทนกันนะกันคือญาติโยมผู้มีศรัทธาก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทาน<ม>พระผู้ไปรับบิณฑบาต<ม>ก็จะได้มีอาหารมาเลี้ยงมาเลี้ยงชีพ<ม>ไปวันวันหนึ่งนี่คือลักษณะ<ม><ม>ของความมากน้อย<ม><ม>ถ้าให้ถือข้อทุ ด, ดงขวัตก็คือให้ฉันมื้อเดียวก็พอ ไม่จําเป็นที่จะต้องฉันวละสองสามมื้อเหมือนตอนที่เป็นคารวาะนักบวชนี้มีขันติมีความอดทนพอที่จะสู้กับความหิวของร่างกายในเรื่องของอาหารได้และการรับประทานพอประมาณไม่มากเกินไปก็จะช่วยทําให้การภาวนาการบําเพ็ญการปฏิบัติธรรมนี่เป็นไปได้ง่าย พอจะลดนิวรณ์เช่นความม่วงเหงาเหานอนความเกียดคา้านให้น้อยให้น้อยลงไปได้การความมักน้อยเนี่ยก็ให้ให้รับประทานอาหารเพาะมื้อเดียวก็พอเครื่องนุ่งห่มก็ให้สมัยก่อนก็ให้ไปหาผ้าในป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าป่า ผ้าบางสุกุลเป็นผ้าห่อศพในสมัยพุทธกาลนี้จะไม่นิยมเผาศพหรือฝังศพกันเวลาคนตายก็จะเอาผ้าขาวห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยไปพอร่างกายท้างศพเน่าเปื่อยไปแล้วผ้าก็ที่หอ่อก็ห่อแต่โครงก็ดู นักบวชที่ต้องการที่จะใช้ผ้ามาทําเครื่องนุ่งห่มก็ไปชักผ้าในป่าช้ากันไปเก็บผ้าในป่าช้าเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดเอามาเย็บให้เป็นเครื่องนุ่งห่มของสมามณญเพศไม่ต้องใช้เงินทองไปซื้อผ้ามาตัดมาเย็บไม่ไม่ต้องไปใช้เงินทองไปซื้ออเอ ซ, ซื้อเครื่องนุ่งห่มพระไม่มีเงินมีเทาจึงต้องหากินแบบคนขอทานบิณฑบาตก็บิณฑบาตอาหารก็ไปได้รับจากการบิณฑบาตส่วนผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้ไปเอาผ้าห่อศพผ้าบางสกุลที่อยู่ในป่าชา้าเอามา เอามายอมเอามาตัดเอามายัดเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ส่วนที่ อ, อาศัยก็ให้อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าอยู่ในที่ล่มของของของต้นไม้อาจจะทำเพิงพอหลบแบดหลบฝนทำเพิ่ทเพิงแบบชั่วเก่าใช้กิ่งไม้ใบไม้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอยู่แบบ มากน้อยแล้วยารักษาโรค ก, ก็สมัยก่อนก็นิยมใช้ยาดองน้ํามูดคือน้ําปัสสาวะให้เอาน้ําปัสสาวะนี้มาดองพวกผลไม้พวกสมอเป็นต้นแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยานองน้ํามูดนี่นี่ก็คือการอยู่แบบมากน้อยของนักบวชของผู้ที่ เป็นผู้เจริญทางด้านจิตใจพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่แบบนี้ทั้งนั้นในสมัยพุทธกาลท่านอยู่แบบมากน้อยจึง ท, ทำให้การเจริญทางด้านจิตใจของท่านเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะท่านไม่มีภาระที่จะต้องมากังวลเกี่ยวกับการที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมา ใช้กับที่อยู่ที่สุขที่สบายเกินความจําเป็นของร่างกายท่านสามารถอยู่แบบโดยแบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทองได้เ<อ>มื่อไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเวลาที่เอาไปหาเงินหาทอ ง, ง, ทองก็เอามาใช้กับการบาเพ็ญกับการปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องของความมากน้อยในการบริโภคปัจจัยสี่ หรือสิ่งที่จำเป็นถ้ามีอะไรจำเป็นก็เอามีเอาเท่าที่จำเป็นนะไม่เอามากไปกว่าเกินความจำเป็น<ม>เช่นรองเท้าก็มีคู่เดียวก็พอเท<ม>้าเราก็มีหนึ่งคู่<ม>ทำไมเราต้องมีรองเท้าเป็นสิบคู่เวลาเราใส่เราก็ใส่ทีละคู่เราไม่ได้ใส่ทีเดียวสิบคู่ ม, ม, มีสิบคู่ก็ต้องมีต้องหาที่เก็บออก แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่ต้องไปซื้อรองเท้ามากันต้องใช้เงินทองไปนำท่ับนักปฏิบัตินี้จะไม่ไม่ให้ความสำคัญกับความสุขความสบายทางร่างกายเพราะรู้ว่าความสุขความสบายทางร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวและไม่เป็นไม่ได้เป็นเหตุที่จะทาให ความสุขความเจริญของจิตใจเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เลยนอกจากไม่ทําให้ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเกิดขึ้นได้แล้วยังเป็นตัวถ่วงความสุขความเจริญของจิตใจด้วยตามไปยึ่งต้องระมัดระวังในการบริโภคปัจจัยสี่ให้มันน้อยที่สุดให้มันง่ายที่สุดให้มันถูกที่สุดจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทอง แจะได้เอาเวลาไปหาเงินหาทองมาหาธรรมะแทนมาปฏิบัติมาศึกษาพราะธรรมคาสอนแทนนี่คือคือเรื่องของความนักน้อยจะช่วยขัดเกลอกิเลสทํามโลภมากได้ปกติกิเลสมันชอบชอบได้ของมากๆมีชิ้นหนึ่งก็อยากจะได้สองชิ้นมีสามชิ้นก็อยากจะได้สี่ชิ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แล้วก็กลายเป็นภาระพลุงพลังเป็นบ้านเป็นเป็มเป็นสถานที่อยู่ไปหมดแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาอีกสู้อยู่แบบมักน้อยไม่ได้มีเงของน้อยก็มีภาระน้อยที่จะต้องคอยดูแลรักษาเวลาจะได้มีให้กับการปฏิบัติได้มากเต็มที่ น, นี่ก็คือเรื่องของความมักน้อยที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งที่จะ ยินดีปฏิบัติกันถ้าต้องการความสุขความเจริญความมงคลแก่ชีวิตจิตใจต้องยอมอสละความสุขความสบายทางร่างกายแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นสุดโตงเป็นขั้นที่เรียกว่ามัชชิมาสําหรับพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี้อันถือว่าความมากน้อยนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทาไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุดโ ต, ต่งใดอย่างใดเป็นเรื่องของ ของธรรมที่จะเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นท่านยังสอนให้ชาวพุทธผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ให้ใช้สันให้ใช้ความมากน้อยเป็นเป็นเกณฑ์ในการบริโภคปัจจัยสี่ข้อที่สองก็คือสันโดษ ผลโดยก็คือให้มีความยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่เช่นการใบบินทบาตนี้ก็ก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดเพราะไม่รู้ว่าจะเขาจะใส่อะไรมาให้รับประทานนั่นเองเขาให้อะไรมาก็กินได้ทั้งนั้นกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขแต่กินเพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายเพื่อเยียวยาร่างกาย ให้อยู่ไปวันวันหนึ่งไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้พิกลพิการเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินก็อยากจะกินเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากินด้วยความอยากเมื่อกินด้วยความอยากก็แทนที่จะขัดเกลกิเลสตัณหาความอยากให้เบาบางลงก็กลับมาสร้างกิเลสตัณหา ให้หมักผมอยู่ในใจเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองก็จะเพิ่มความทุกข์ภายในใจมีมากขึ้นไปเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจถ้ามีกิเลสตัณหามากความทุกข์ใจก็จะมีมากถ้ามีกิเลสตัณหาน้อยความทุกข์ใจก็จะมีน้อยฉะนั้นถ้ามีความสันโดกยินดีตามมีตามเกิดเนี่ยความทุกข์ใจ เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ก็จะไม่ค่อยเกิดไปบินธบาทได้อาหารชนิดใดมาก็กินไป<ม>กินเพื่อกินเหมือนกินยามไม่ต้อง อ, อร่อยไม่ต้องถูถกปากถูกคอขอให้มันเป็นอาหารที่ไม่เป็นพิษต่ตอร่างกายกินแล้วทําให้ความหิวที่มีอยู่ในร่างกายหายไปได้<ม>ท่านนี้ก็<ม>เป็นพอเพียงต่อหน้าที่ของการรับประทานอาหาร ให้ยินดีตามมีตามเกิดเครื่องนุ่มห่มก็เช่นเดียวกันก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าเป็นพระในสมัยพุทธกาลก็ก็ไปหาภาพในป่าช้ากันเพราะว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับการที่จะต้องไปซื้อซื้อผ้าดีๆมาตัดมาเย็บยินดีตามมีตามเกิดของพระก็ยินดีตามมี สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่หาได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองสันโดษก็คือให้ทําทำใจพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราได้รับถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าความจำเป็นก็เช่นบางวันอาจจะหาบิณฑบาตได้อาหารไม่พอกิน<ม>ก็ให้ยินดีกับอาหารเท่าที่ได้มาอย่าไปทุกข์อย่าไปวุ่นวายกับมัน ให้พิจารณาว่าการบินทบาทการหาอาหารนี่ก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนบางวันก็ จ, จะได้มากบางวันก็ จ, จะได้น้อยเพราะคนใส่บาตรเขาก็บางวันเขาก็สะดวกใส่กันก็จะมีคนใส่มากบางวันไม่สะดวกใส่กันก็จะมีคนใส่น้อยอาหารก็จะได้น้อยก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อน ถ้ามีความความอยากให้ได <fez> ้อาหารเท่านั้นเท่านี้ได้อาหารชนิดนั้นชนิดนี้พอไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องการจะสร้างขึ้นมาผู้ปฏิบัติต้องการดับความทุกข์ต่างๆกําจัดความทุกข์ต่างๆป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมา ไม่ใช่มาสร้างความทุกข์ด้วยตนเองด้ว ย, วยการทำตามความอยากต่างๆความสันโดษนี่จะช่วยลดยเรื่องของความอยากต่างๆให้น้อยลงได้เรื่องของความจู้จี้จุกจิกอยากจะได้สิ่งนั้นแบบนั้นแบบนี้ถ้าถือสันโดษแล้วก็ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ยินดีได้อะไรมาก็ยินดี น, นี่ก็คือสิ่งที่ จะช่วยทำให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเบาบางไปได้เราจะทำให้การปฏิบัตินี้ราบรื่นเพราะสามารถรับกับสภาพต่างๆได้เพราะผู้ปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ถ้าต้องการที่จะเจริญในธรรมนี้มกักจะต้องไปอยู่ในที่ อ, อ, อันตรคัดขัดสนไปอยู่ในที่ทุกข์ยากลำบาก ก็อยู่ตามชนนบทก็อยู่ตามปา่าตามเขาเป็นสถานที่ที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของปัจจัยสี่ต้องอาศัยการบินธบาจากคนยากจนเป็นส่วนใหญ่อาหารสำหรับคนยากจนเขาก็ใสมาตามมีตามเกิดตามกําลังของเขาแต่ก็อยู่ได้เมื่อคนคนใส่บาดเขาอยู่กันได้ทําไมคนรับบาดจะอยู่ไม่ได้เขากินอะไร เขอยู่ได้เราก็กินอะไรเราก็อยู่ได้ตามที่เขาให้มาแต่ถ้าเราจุจีจ้จุกเจิกอยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้บางทีก็จะไม่อยากไปไปไปปีกเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาก็จ ะ, ะติดอยู่กับการอยู่ในบ้านในเมืองเพราะในบ้านในเมืองนี้มีอาหารที่สมบูรณ์มีอาหารถูกปากถูกคอแต่การอยู่ในบ้านในเมืองนี้มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เอือ้อ ต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติเพราะจะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เย้าโยนจิตใจอยู่รอบข้างคือรูปเสียงกิิ่นลดโผฏฐพลาพชนิดต่างๆที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติผู้ที่บวชนี้อาจจะไปไม่ตลอดไปไม่ถึงตลอดรอดฝั่งได้อาจเนืรืออาจจะล่มกลางทางเมื่อบวชไปแล้วในที่สุดก็ต้องลาสิขาไป พถ้าอยู่ใกล้กับสิ่งที่เยือยอย่อโยนกวนใจกิเลสตัณหาความโลภความอยากมันก็จะทวีคูณกำลังขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดกำลังธรรมที่มีอยู่ก็จะสู้กับกำลังของกิเลสตัณหาไม่ได้เมื่อผ้าร้อนก็อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขก็ต้องก็ต้องลาสิกขาไปไปไม่ถึงไม่ไปไม่ถึงตลอดลอดสัง ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปตลอดลอดสั่งนี้มักจะไปอยู่ตามที่อัตคัดขัดสนไปอยู่ตามที่ทุกข์ยากลาบากไปอยู่ตามป่าตามเขาถ้าเราศึกษาอ่านปฏิวัติประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆของพระสุปฏิปโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนีส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ตามป่าตามเขาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็อยู่ตามป่าตามเขาตัดสะลุก็ตัดสะลุในป่า ไม่ได้อยู่ในวังพราะทำไมต้องเสด็จออกจากวังไปเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ในวังก็จะถูกกิเลสตัณหาหอบล้ อ, อลไมไว้ทุกทิศทางยิเลสตัณหาจะมาทางตามาทางหูมาทางจมกูกมาทางลิ้นมาทางกายมาคอยสร้างความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดความอยากใจก็จะเริ่มมีความวุ่นวายขึ้นมาไม่สงบอยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องไปทำตามความอยากแล้วความอยากนี้ทำไปแล้วมันก็จะไม่อิ่มไม่พอมันก็จะดึงให้ทำไปอยู่เรื่อยๆให้มากขึ้นมากขึ้นไปแล้วพอไม่ได้ทำมันก็จะเกิดความเศร้าซ้อยงอยเหงาขึ้นมาพระพุทธเจ้าคยอยู่ท่ามกลางความสุขของรูปเสียงกิ่นลสโผฏฐาภะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมารห้อมล้อมด้วยความสุข ที่ปาณี้และละเอียดของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกยลิธธ่นรสโผฏฐาพะแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการทําใจให้สงบเลยแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคขวางกาั้นการที่จะทําจิตใจให้สงบเพื่อที่จะได้ระ ง, งับกิเลสปัญหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความมุ่นหายใจให้กับใจนั่นเองพระองค์ก็เลยต้องเสด็จออกบวชไปอยู่ตามสํานักการปฏิบัติแล้วก็ไปปีไปปีวิเวก ไปชัววังหาความสงบท่ามกลางป่าเขาอาืถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขานี่ก็ก็จะไม่มีสิ่งที่มาคอยยั่วยุลปวนใจหรือรูปเสียงจิตลดผลสะพชนิดต่างๆแต่ก็ต้องอยู่แบบลําบากก็ต้องอาศัยบินสบายกับชาวป่าชาวเขากับคนคนยากคนจนเรื่องของการกินการอยู่ทางร่างกายก็จะไม่สดไม่สบาย แต่เรื่องของความความเจริญทางด้านจิตใจกับเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทำให้ถ้าลองจิตใจมีความสุขความเจริญแล้วนี้ความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายนี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่าความสุขทางใจนี้มันเหนือกว่าความสุขทางร่างกายร่างกายจะอัตคัดขัดสมอดยาขาดแคลนแต่ใจถ้ามีความสงบมีความสุขแล้ว เรื่องของความทุกข์ยากลาบากของทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถของธรรมความสุขของใจเหนือกว่าความสุขของทางร่างกายหรือความทุกข์ของร่างกายความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่สามารถมาสร้างมาทําให้จิตใจที่มีความสุขนั้นต้องทุกข์หรือสะเทือนใจเลยเพราะความสุขทางใจนี้สามารถที่จะ กรบหรือหรือมีพลังมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายจึงทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีปัญหาต่อจิตใจใจอย่างใดท่านพูดที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องควรที่จ ะ, ะพิจารณาว่าเราปฏิบัติเพื่อจิตใจไม่ได้ปฏิบัติเพื่อร่างกายร่างกายนี้มันมันไม่มีความเจริญมากไปกว่าความแก่ความเจ็บความตาย อนาคตของร่างกายมันก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนอย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายไปแต่จิตใจนี้ถ้าเราได้ได้ปฏิบัติตามขั้นตามตอนที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้ปฏิบัตินใจมันก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลําดับไปจนถึงขั้นสูงสุด วิมุติหมดพนพระนิผพานได้นนี่ก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติควรที่จะคำหนึ่งถึงเรื่องของการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ให้ใช้หลักมากน้อยสันโดษแล้วจะทำให้ไม่มีอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัตินี้ก้าวหน้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วข้อที่สามก็คือ ให้อย่าไปมีความสัมพันธ์กับใครอย่าไปคุกคีกับใครเพราะเมื่อมีความสัมพันธ์คุกคีกันก็จะมีความผูกพันกันมีภาระมีความวิตกกังวลความโงยงใยกันเวลาพบปะกันก็จะคุยแต่เรื่องเรื่องของกันและกัน่างนี่จะเอาเวลามาภาวนาก็จะไม่มีเวลาภาวนาถ้าเราไปคุกคีกับคนนั้นกับคนนี้ เพราเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆมาชวนให้เราไปทําร่วมทําด้วยไปงานนั้นไปงานนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปสังคมกันเป็ผู้ปฏิบัตินี้จําเป็นที่จะต้องอไม่คุกคลีกับใครพยายามอยู่คนเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าปฏิเสธการเชื้อเชิญของคนนั้นคนนี้ให้ไปร่วมทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ได้ก็ควรที่จะปฏิเสธไป เพราะถ้าเราไปทำกิจทางสังคมเราก็จะไม่มีเวลามาทากิจทางด้านจิตใจแทนที่จะเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบก็ต้องเสียเวลาให้ไปกับการออ <c oughs> ไปทกากิจกรรมของของทางโลกกันนี่ก็คือพยายามอยากคลุกทีกันพยายามพยายามอยู่ตามลาพังให้มากที่สุดเท่าที่ยะมากได้ แม้แต่เวลาที่ไปอยู่ในสำนักปฏิบัติก็ก<ม>็อาจจะมีการคุกทีเกิดกันได้เพราะนิสัยของผู้ที่ยังไม่ได้เจริญทางด้านธรรมก็มักจะมีความรู้สึกเหงาถ้าอยู่คนเดียวตามลำพังก็อยากจะหาเพื่อนคุยอยากจะหาเพื่อนออทำอะไรร่วมกันอาจจะหาเพื่อนมาช่วยมามาดื่มน้ำชากาแฟกันมาสนทนาเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแก้เหงาไป อนนี้ต้องระวังท่านไปอยู่ในสถานที่ปฏิบัติแล้วก็มีคนมาชวนก็ต้องปฏิเสธพยายามที่จะเอาเวลาให้อยู่ตามนำพังให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นอกจากเวลาที่จำเป็นที่จะต้องมาทากิจร่วมกันเช่นเวลามาร่วมกันรับประทานอาหารหรือมาฟังเทศฟังธรรมก็มาแบบสำรวงวาจากายวาจาใจ มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปส่งไปหาคนนั้นคนนี้ไม่ต้องเจอกันก็ไม่ต้องคุยกันต่างคนก็ต่างมาทํากิจของตนเองรับประทานอาหารก็รับกันไปด้วยการมีสติไม่ใช่รับประทานไปคุยกันไปสนทนากันไปเพราะการสนทนานำมันก็จะทําการสนทนากันมันก็จะทําให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมา พอกลับไปอยู่ที่ที่พักเพื่อที่จะไปทําจิตให้สงบอารมณ์ทัญญาอารมณ์มันก็ยังตกค้างอยู่ในใจเรื่องที่คุยกันมันก็ยังมีอยู่ในใจมันก็ยังไม่หายมันไม่หายไปจากใจไปทําทใจให้ว่างให้สงบได้ก็ต้องเสียเวลาพอพอสมควรดันั้นการครุกเคลีกันจึงไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่อย่างได้ต่อการบําเพ็ญจิตใจเพื่อความสงบสุขแต่การไม่คลุกเคลียกันนี่แหละเป็น เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้การน้มเพลนนี้ได้ได้มีเวลาให้กับการน้มเพลนมากขึ้นแล้วก็ทาให้การทำจิตใจให้สงบนี้สงบได้ง่ายขึ้นแล้วเร็วขึ้นและนานขึ้นจึงไม่ควรที่จะมาคุกคีกันข้อที่สี่ก็คือให้เราเปิกมิเวกให้ไปอยู่ในที่ห่างไกลจาก แสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเพราะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสมายุ่ยยวนกวนใจมันก็จะทําให้ใจเรานี้วุ่นวายขึ้นมาทําให้เกิดความอยากอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ตามที่เคยได้ไดเสกถ้าไม่สามารถถ่างข้ามความอยากนี้ได้ก็อาจจะต้องถูกความอยากนี้ดูดให้กลับไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็ได้ ถ้าต้องการที่จะให้ใจปลอดจากปัญหาเหล่านี้ก็ควรไปอยู่ที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากรูปเสียงกิจรดผลพัฒพที่จะมายั่วยวนโกรนใจที่จะมากระตุ้นให้เกิดกิเลสตัณหาต่างๆขึ้นมาในใจที่จะทำให้ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านได้ท่านมีทำมีตัดไว้ว่ากายวิเวกจิตวิเวก วิเวกก็คือสงบสงัดการที่จะทำให้จิตใจสงบสงัดนิ่งสงบในสมาธิได้ก็ต้องมีกายวิเวกก่อนกายต้องมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดไม่มีเสียงอบกทึกคึกโคไม่มีกิจกรรมต่างๆที่จะมาทำลายความสงบของใจมันต้องไปหาที่ที่สงบถ้าต้องการบาเพ็ญ ที่ท่านเรียกว่าสถานที่สัปปายะสถานที่สัปปายะก็สถานที่มันที่สงบสงัดนี่ที่ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ทำให้เกิดการมฉันทะขึ้นมาความยินดีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะถ้ามีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วใจจะสงบไม่ได้ถ้าไม่ทําให้ความยินดีในการมฉันทะนี้ในในการมาคุณห้านี้ให้มัน สงบตัวลงก่อนนั้นไม่ควรจะอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสกฎภาตชนิดต่างๆควรจะไปอยู่ที่ไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสไปอยู่ที่สารที่สงบสงัดวิเวกปสัสจะรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการปริดวิเวกเป็นการที่จะช่วยการปฏิบัติธรรมการจเจริญจิตภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญานี้ จะได้เป็นไปได้อย่างง่ายดายสะดวกไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นทางปีกเว่ยนี้เป็นการกำจัดนิวรเช่นการมาฉันทะเป็นต้นนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะคุยกันคุยว่าสถานที่ไหนดีวัดไหนดีวัดไหนที่สงบวัดไหนที่กูบาอาจารย์ส่งเสริมให้อยู่กันให้อยู่ภาวนากันไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกัน ให้บาเพ็ญตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยสถานที่แบบนั้นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วจะทำให้เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นี่ก็คือธรรมะสีข้อแรกมากน้อยสันโดษแล้วก็ไม่คุกคีกันปีกวิเวกข้อที่ห้าก็ให้เราคุยเรื่องความเพีย พูดถึงการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเท่าไหร่เดินจงกรมวันละกี่ครั้งวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิวันละกี่ครั้งกี่นาทีกี่ชั่วโมงนั่งยังไงถึงนั่งได้นานเดินยังไงถึงเดินได้นานก็ต้องเดินด้วยการมีสตินี่ให้มีสติแล้วจิตใจจะจะสงบจะไม่ฟุ้งซ่าน เราจะจะเพลิดเพลินกับการปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในท่านั่งหรืออยู่ในท่ายืนความเจ็บปวดทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีสติคอยควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบความความเจ็บทางร่างกายความเหนื่อยอ่อนเพลีทางร่างกายก็จะไม่มีปัญหาคนที่เดินโยกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะมีสติคอยกํากับใจ พอใจมีสติใจก็ไม่ฟุ้งซ่านใจก็ไม่คิดปรุงแต่งใจก็มีอุเบกขาก็จะสามารถทนอยู่กับความทุกข์ยากลําบากของร่างกายได้นั่งชมพมเป็นชั่วโมงก็ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็คือเรื่องของความเพียรเวลาคุยกันคุยเรื่องของความเพียรควรจะทําความเพียรมากน้อยเท่าไหร่ ตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนพักก็คือให้ทําความเพียรตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคือพอตอนคืนก็ให้เข้ า, ขานอนตอนสี่ทุ่มแล้วให้ตื่นตอนตีสองพอตื่นตอนตีสองขึ้นมาก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาสว่างก็ไปบินสบายไปบินสบายหลังจากกลับบินสบายก็กลับมาขบฉัน ในช่วงที่ไปทำกิจให้ให้ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยก็คือให้เจริญสตินั่นเองเดินยงกรมก็ให้มีสตินั่งสมาธิก็มีสติไปบินทบาทก็ให้มีสติเวลาขบฉันก็ให้มีสติเวลาทำกิจทำการทำความสะอาดสาราที่อยู่อาศัยก็ให้ทำด้วยการมีสติเพราะถ้าทำด้วยการมีสติก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ถ้าทำโดยไม่มีสติก็จะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมใดอยมงใดันั้นถ้าสำหรนักปฏิบัติแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องทำด้วยการมีสติกำกับใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจไหลใจลอยไปกับความคิดต่างๆ ให้ใจอยู่กับภารกิจที่กําลังทําอยู่ในในปัจจุบันถ้าเดินจงกรมให้มีสติอยู่การเดินจงกรมถ้านั่งสมาธิให้มีสติอยู่การดูลมหายใจและอยู่กับคําบริกรรมพุทโธถ้าบินธบัติให้มีสติอยู่กับการเดินบินธบัตถ้าฉันก็ให้มีสติอยู่กับการขบฉันพระปฏิบัตินี้เวลาท่านฉันนี้ท่านจะทันด้วยสติท่านจะไม่คุยกันแล้วก็ฉันอยู่แบบเงียบๆทราบจะไม่มีเสียงดัง คือคื อ, คอมีการการปฏิบัติที่มีสติจะเป็นอยู่ในลักษณะสงบเงียบไม่กระทึกคึกโคงนอันนี้ก็คือความเพียรของพระจนกระทั่งเมื่อเสร็จภารกิจต่างๆตอนบ่ายก็ปัดกวาดลานวัดถ้าไม่มีภารกิจก็กลับไปอยู่ที่พักที่กุฏิไปเดินโยงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาที่ต้องไปปัดกวาดในตอนบ่ายก็ช่วยกันปัดกวาดลานวัด เสร็จแล้วถ้ามีน้นําปานะให้ดื่มก็ดื่มกันด้วยสติดื่มวันพอพอสมควรแก่เวลาก็ปิดกันแยกตัว ก, กันกลับไปอยู่ที่พักของตนเพื่อไปสงน้ำส่งน้ําเสร็จก็ให้เดินบินเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงสี่ทุ่มพ อ, อถึงสี่ทุ่มก็แล้วก็ค่อยหยุดพักผ่อนให้พักเกินละสี่ชั่วโมงนี่ก็คือความเพียรของพระที่พระเจ้ทาทรงสอน ให้พระผู้ที่มาบวชในพระพุทธาศาสนาได้บำเพ็ญกันนี่แหละคือเรื่องของความเพียรต้องพยายามเพียรให้มากที่สุดปฏิบัติทําให้มากที่สุดอย่าให้เวลาอย่าให้กิเลสหลอกดึงเอาเวลาไปทําภารกิจทางทางตามความโลภทางต า, ตามความอยากต่างๆพยายามเอาเวลามาให้กับการเจริญสติเพราะสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุด เพราะถ้าไม่มีสติแล้วทำอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็คือสมาธิก็จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญาก็จะไม่มีกำลังที่จะไปใช้ในการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้เมื่อไม่มีปัญญาไม่มีกำลังมิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นการบาเพ็ญนี้จึงต้องเน้นไปอยู่ที่การบาเพ็ญ คือการเจริญสติเป็นหลักถ้ามีสติแล้วการรักษาศีลก็จะก็รักษาได้ง่ายเพราะมีสติคอยควบคุมคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจายอยู่ตลอดเวลาว่าทาอะไรผิดหรือไม่พูดอะไรผิดหรือไม่พอจะทำอะไรผิดพอจะพูดอะไรผิดก็จะสามารถยับยั้งได้แต่ถ้าไม่มีสตินี่พอเผลอบางทีก็อาจจะไปทาผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ อ น, นี้ก็คือความสำคัญของการปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ที่การปฏิบัติสติเป็นหลักถ้าไม่มีสติแล้วก็อย่าไปหวังความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติของจิตใจได้เลยสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสตินี้เหมือนเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้ า, ท, าที่ใหญ่ที่สุด สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าได้ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่มีรอยเท้าที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าของของช้างได้ชั้นใดไม่มีธรรมรันใดที่จะมีความสําคัญเท่ากับสติได้ถึงแม้ว่าทำอย่างอื่นจะทําให้เกิดวิมุติการหลุดพ้นทําให้เกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีสติเป็นผู้นําเป็นผู้ เป็นผู้สนับสนุนธรรมะต่างๆคือสมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุตติการหลุดพ้นก็เกิดไม่ได้วิมุตติญาณทัศนะก็เกิดไม่ได้้วเกิดได้ก็เกิดจากการเจริญสติก่อนเมื่อมีสติแล้วก็จะสามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมให้จิตรวมเป็นสมาธิขั้นต่างๆได้คุยเรื่องศีลแล้วเราก็มาคุยเรื่องสมาธิว่าสมาธิมีแบบไหนบ้าง สมาธิโดยหลักก็มีอยู่3ามามแบบด้วยกันคือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิและอุปจาระสมาธิคณิกะสมาธินี้คือจิตรวมรวมเป็นหนึ่งสักแต่วะรู้แต่รวมด้วยเช่อกเชือกระยะเวลาสั้นๆหนึ่งเชืเท่ากับเวลาฟ้าแลบมืองูแลบลิ้นสงบเดี๋ยวเดียวจิตรวมสงบลงเช่วงขณะหนึ่ง เาเรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้ก็จะเป็นธรรมดาของผู้ที่ปฏิบัติเริ่มต้ น, นจะได้คณิกะสมาธิก่อนเนื่องจากกาลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะทำให้ใจสงบได้นานไปกว่าคณิกะสมาธินั้นส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติทำเรื่องต้นนี้จะมาจะเจอก็คือคณิกะสมาธิสงบช่วงงูแลบลินแล้วก็ถอนออกมา แต่รถแห่งธรรมที่ได้สัมได้ได้สัมผัสจากความสงบนี้มันจะเป็นที่ติดอกติดใจมันจะทำให้เกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติทําให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้สมาธิที่เป็นสมาธิเชื่อขณะนี้ให้กลายเป็นนับนาสมาธิต่อไปให้จิตนิ่งสงบตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความว่างสักตะวาร้ตั้งอยู่ในอุบเบขา สมาธิสองแบบนี้เป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ยะ่เอื้อต่อการบําเพ็ญมรรคเพื่อที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์พยายามสร้างสมาธิจากคณิกะสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิสามารถเข้าสมาธิแล้วจิตสงบได้เป็นเป็นเป็นหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงอันนี้อยู่ที่การฝึกสติพอออกจากสมาธิมาถ้าจิตยังสงบไม่นานก็มาเจริญสติต่อ ยังไม่ต้องไปทางปัญญาเพราะการไปคิดทางปัญญามันจะทำให้ใจคิดแล้วมันจะฟุ้งขึ้นมาได้ให้อยู่กับให้ควบคุมความคิดไว้ก่อนให้ฝึกให้ฝึกสติจนมีกำลังสามารถที่จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบในระดับอัปปนาสมาธิได้แล้วอยู่ได้นานยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเพราะว่าเวลาอยู่ในสมาธิแบบนี้จะทำให้ใจมีอุเบกขาวางเฉยได้มาก และความวางเฉยนี่แหละจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเวลาใช้ปัญญาเพื่อมาพิจารณาหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและจะหยุดความทุกข์สาเหตุของความทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องหยุดด้วยอุเบกขานี่เองถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม่รู้ว่าสาเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้สู้ความอยากไม่ได้จึงจําเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิ ให้เป็นอัปปนาสมาธิให้มากให้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ให้ชํานาญสามารถเข้าออกสมาธิแบบนี้ได้ทุกเวลาที่ ท, ที่ต้องการแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาส่วนสมาธิชนิดที่สามที่เรียกว่าอุ ป, ปจารสมาธินี้เป็นสมาธิที่เวลาจิตสงบแล้วไม่ไม่นิ่งอยู่ในอุเบกขาจะออกไปรับรู้เรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆของโลกทิพย์เช่นไปรู้ เรื่องของกายทิพย์ต่างๆไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปมีมีความสามารถพิเศษเช่นสามารถตัลึกชาติได้หรืออ่านวา ร, รกิตของผู้อื่นได้เป็นต้นสมาธิแบบนี้ท่านว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่จะไม่สนับสนุนการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะสมาธิแบบนี้ไม่มีอุเบกขาสมาี่แบบนี้เป็นสมาธิที่ใจจะไม่นิ่งเฉยไม่ปัจจสจากความรักชังกลงัวหลงเวลาไปสัมผสัสกับเรื่องราวต่างๆก็ยังเกิดความรักเกิดความชางังเกิดความกลัวความหลงได้อันนี้ไม่ใช่เป็นสมาธิที่ควรจะไปซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติสมาธิแบบนี้ก็จะมีผู้ที่เข้าถึงได้ไม่มากเข้าที่ได้ยินได้ฟังจาก ูุบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้ฟังก็มีประมาณร้อยละ5เท่านั้นที่จะมีความสามารถในการเข้าสมาธิแบบนี้ได้สมาี่แบบนี้อาจจะมีคุณมีประโยชน์หลังจากที่ได้ปฏิบัติทำให้จิตบุดพน้นจากความทุกข์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดสู้ภาริยาสัตวิสีแล้วดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้หมดแล้วเวลาที่พะระองค์แสดงธรรมสอนพวกเทวดา พระองค์ก็ต้องเข้าไปในอุปจารสมาธินี้ถ้าท่านไม่สามารถถ้าท่านไม่สามารถเข้าอุปจารสมาธิได้ท่านก็จะไม่สามารถสั่งสอนพวกกายทิพย์ได้เห็นภาพอาหารบางรูปนี้ท่านจึงไม่สามารถสอนพวกกายทิพย์ได้เพราะท่านไม่มีอุปจารสมาธิแต่พระอาหารที่มีอุปจารสมาธินี้ท่านยอ็สามารถที่จะสั่งสอนพวกกายทิพย์พวกเทวดาได้นี่คือประโยชน์ของอุปจารสมาธิ มีประโยชน์หลังจากที่จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วสามารถเอาอุปจารสมาธิความสามารถพิเศษนี้มาใช้ประโยชน์ในการเผยแผ่ธรรมได้อยู่แต่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดับความทุกข์ใจได้อาจจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปจะทําให้ติดอยู่ใ น, ในสมาธิแบบนี้นั่งสมาธิทีไรก็อยากจะเข้าเข้าไปสู่ปัจจาระอยากจะไปท่องเที่ยวในสวรรค์อยากจะไปพบกับกายทิพย์ ๆมันก็จะทําให้ติดอยู่ตรงตรงตรงนี้ไม่สามารถที่จะออกไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดัง<ม>นั้นพยายามเลีกเลี่ยงสมาธิแบบนี้ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มี ม, มีมีวาสนาในในสมาธิแบบนี้เวลาจิตสงบแล้วจะออกไปรับรู้ก็ใช้สติหนึ่งกลับเข้ามาให้อยู่แต่สักแต่ว่ารู้อยู่กับความ อยู่กับความนิ่งความสงบความเป็นอุเบกขาของจิตใจแล้วพอออกจากสมาธิแบบแล้วถ้าเราชำนาญในทางเข้าออกสมาธิแล้วทีนี้เราก็ค่อยมาเจริญปัญญาต่อไปอย่าไปเจริญปัญญาในขณะที่จิตอยู่ในปัณาสมาธิเพราะเจริญไม่ได้อย่าไปดึงจิตออกมาถ้าจิตสงบปล่อยให้จิตสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะเป็นการพักผรอเป็นการสร้างพลังให้กับจิตใจ เพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการเจริญปัญญาใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจต้องอาศัยอัปปนาสมาธิต้องมีความชํานาญเข้าออกในสมาธิแบบนี้ก่อนแล้วถึงค่อยออกมาเจริญปัญญาปัญญาก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษามีอะไรบ้างก็มีแค่อริยสัจสี พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆเวลาอยู่ในสมาธินี้จะรู้เลยนะเวลาจิตสงบนี้ไม่มีตัณหาจิตจึงสงบไม่มีทุกข์แต่พอออกจากสมาธิมาพอจิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัณหาความอยากก็ผล่ขึ้นมาความทุกข์ความไม่สบายใจก็ตามมา ท, าทันทีผู้ที่มีสมาธิแล้วนี่จะเห็นอริยสัจ ส, สีได้ง่ายเห็นตัวจริงว่าเวลาจิต เวลาจิตสงบไม่มีความอยากจิตจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายแต่พอจิตเริ่มมีความอยากขึ้นมาใจาจะวุ่นวายขึ้นมาจะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีพอรู้ว่ากระเพื่อมก็สามารถใช้ปัญญามาหยุดความอยากได้ด้วยการเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันของชั่วคราวพวกว่าเราไปกําหนดไปควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันเมื่อถึงเวลามันจะมามันก็มาถึงเวลามันจะไปมันก็ไป ถ้าเรารักมันชอบมันเวลามันไปนันก็จะทำให้เราทุกข์ให้พิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการว่าเป็นความทุกข์ก็จะหยุดความอยากได้อนนี้พอหยุดความอยากได้วิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นๆหลุดพ้นความอยากในขั้นนี้ได้ก็ความก็บรรลุธรรมขั้นนี้ได้มีหลายขั้นด้วยกันมีแบ่งไว้เป็นสีขั้นด้วยกันขั้นส ก, กิ ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์เป็นขั้นที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการหาความอยากต่างๆได้อันนี้ก็เรียก ว, วิมุตติหลุดพ้นที่เกิดจากปัญญาที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตไตรลักเห็นอนิจจทุกขังอนัตตา แล้วเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาเกิดวิมุตติยาณทัศนะว่าเอาจิตได้หลุดพ้นจากความทุกขระดับนี้แล้วได้เป็นโสดาบันแล้วได้เป็นสกิรดาคาแล้วได้เป็นอาณาคาแล้วได้เป็นพาาระอรหันต์แล้วยานอย่างทราบมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองไม่ต้องไม่ต้องไปถามใครเหมือนคนที่กินข้าวอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามว่าผมอิ่มหรือยังคนไปถามคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเราอิ่มหรือยัง ดาวผู้ปฏิบัติผู้กินข้าวจะเป็นผู้รู้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มถ้ายังไม่อิ่มก็ต้องกินต่อถ้ายังหิวก็ต้องต้องกินต่อถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่ยังไม่หลุด ย, ยังมีความอยากอยู่อันนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองสันติโกไม่ต้องไปถามใครนี่คือวิมุตติญาณทัศนะที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญจากการเจริญปัญญาเจริญสมาธิ เพืที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็จะได้วิมุตติขึ้นมาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งแบ่งเป็นขั้นๆแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันตามตามกำลังของปัญญาที่จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาที่เรียกว่านิวะที่เรียกว่าสังโยชน์ได้สังโยชน์นี้มีอยู่10ข้อด้วยกันแบ่งเป็นสขั้นด้วยกันก็ต้องละเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสุดท้าย พอละขั้นสุดท้ายได้หมดแล้วละสังโยชน์ได้หมดแล้วความทุกข์ภายในใจก็จะไม่มีหลงเหนืออีกต่อไปความอยากต่างๆก็จะไม่มีอีกต่อไปมีแต่ความอิ่มความพอไม่ต้องการอะไรแม้แต่อยากจะบรรลุ ก, ก็ไม่มีถ้ายังมีความอยากจะบรรลุอยู่ยังอยากจะหลุดพ้นอยู่นี่ก็แสดงว่ายังไม่หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นแล้วมันจะไม่มีความอยากที่จะหลุดพ้นมันอิ่มมันพอของมันอยู่ในใจของเราอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้น อันนี้ก็คือเรื่องธรรมะสิบข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติผู้ปรารถนาวิมุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ให้สนทนากันเวลาที่มีโอกาสได้พบปะกันสนทนาธรรมกันก็ให้สนทนาธรรมทั้งส0บข้อนี้ก็คือหนึ่งเรื่องของความมากน้อยสองสันโดษสมเรื่องของการไม่คุกคีกันสเรื่องของการปีกวิเวกห้าเรื่องของ ทำความเพียรหเรื่องของศีลเรื่องเจเรื่องของสมาธิแปเรื่องของปัญญา9เรื่องของวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆและ10บวิมุตติยาณทัศน ะ, ะครอยานได้อย่างทราบแล้วว่ายานได้อย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากจากความทุกข์ขั้นนี้แล้วเมื่อก่อนเคยทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้อีกต่อไปเรียกว่ายานทัศนะ นี่คือเป็นธรรมะที่จะเอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติเพราะเมื่ได้ได้สนทนารามลกเปลี่ยนความรู้กันก็สามารถเอาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากการสนทนานี้เอามาใช้กับการปฏิบัติทําให้การปฏิบัติก้าวหน้าคืบหน้าเจริญรุ่งเนืองไปเพียงโดยถ่ายเดียวจนถึงขั้นสูงสุดก็คือวิมุตติหลุดพ้นพระนิพพานา น, นั่นเองอ น, นี้ก็คือเรื่องของการสนทนาธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเวาหาตุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกาปเตยิชิตังปัติตังตุมหังคิดเมวะสมิชจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิจโตเอราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโภวะอภิวาธนสีลิสานิจจังวุธาปจายิโน จตารุตมะวัานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะถามตอบกัน ถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษสงข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหรทาง Facebook 342 YouTube ราชาสุชาติ354 YouTube ดรดี49วิทยุออนไลน์14 Clubhouse 5นากุติ230รวม994ค่ะเคเอาเอามั้ก็ขอให้คุณคุณตาหน่อย คุณตาเานั้นน่ะนั่งน้นไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วขออนุญาตถามหลวงพ่อนะครับผมไม่เข้าใจคําว่าฟังพระสวดมนต์ถ้าตัวผมสวดมนต์แล้วเนี่ยแต่ผมไม่รู้เลยว่าคําแปลแปลว่าอะไรในการสวดมนต์ของผมแล้วฟังพระที่สวดมนต์แล้วมันจะผิดพลาดยังไงจะได้รับผลประโยชน์ยังไงครับขออ น, นุญาตถามนะครับคือการสวดมนต์ ด้วยการฟังพระสวดมดนต์นี้ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้สมาธิคืเ อ, อเราใช้เสียงเสียงพระสวดมนต์เนอะเสียงเราสวดมนต์นี้เป็นการฝึ ก, กจิตให้สงบไม่ให้คิดฟุง้งซ่านก็เรียกว่าเป็นสมาธิได้ประโยชน์คือทางสมาธิใจก็จะสงบเบาเย็นสบายหลังจากที่ได้สวดหรือหลังจากที่ได้ฟังเสียงสวดของพระ ถ้าเราเข้าใจความหมายของบทสวดเราก็จะได้ปัญญาความรู้เนีย่ยมันปัญต่าง ก, กันตรงนั้นถ้าเรารู้ความหมายก็เหมือนกับฟังเทศฟังธรรมฟังจากพระพุทธเจ้าเลยเพราะบทสวดมวลส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าท่านแสดงในภาษาบาลีเราไม่เข้าใจกันถ้าเรามาแปลเป็นภาษาไทยเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําอะไรกันบ้างเป็นมงคลสามสิบแปดเนี่ย อาศัยว่านาจะบาลานางเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปคบคนโง่ให้คบคนฉลาด เ, เป็งต้นถ้าอยากจะรู้ความหมายก็ต้องไปอ่านคาแปลถ้าไม่ไม่ไม่สนใจความหมายเพียง อ, อยากจะใช้เป็นการฝึกสติสมาธิก็ ก, ก็ฟังบรรษาบาลีไปแล้วสวดเป็นภาษาบาลีไปเข้าใจหรือยังเข้าใจครับมีอะไรไหมขออภิปราจมีข้อหนึ่ง ผมนั่งกรรมฐานฟังพระที่ท่านสอนกรรมฐานนะครับว่าถึงนิวรนมันแปลว่าอะไรนิวรนอ๋อนิวรก็คือตัวที่มาขัดก า, การปฏิบัติไงเช่นนั่งไปแล้วหิวข้าวขึวข้นมาเนี่อยากจะกินข้าวเนืออยากจะไปดูหนังฟังเพลงเพราะเกิดความอยากในใจมันก็ไม่อยากจะนั่งต่อไปเราเรียกว่านิวรนอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติหรือนั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อยากจะลุกอยากจะขยับ อันนี้ก็เป็นนิวรณ์อย่างนเราต้องทนท่านจยากจะปฏิบัติเราต้องทนต่อความอยากต่างๆนั่งเราอยากจะไปกินอะไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปไปกินอยากจะไปดื่มอะไรก็ไม่ไปดื่มนั่งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบก็จะผ่านนิวรณ์ได้นะเข้าใจานะนิวรณ์ก็คืออุปสรรคที่ขวางการการปฏิบัติของเราไม่ให้ไม่ให้สาเร็จประโยชน์นะพอจะล้มหลว เราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทําตามความอยากขึ้นมาทันทีเขาถามอีกข้อหนึงครับผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจคําว่าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะกับพระพุทธโคดมบ้านเดียวกันหรือเปล่าครับคนเดียวกันเวลาเป็นเจ้าชายก็ชื่อสิท ธ, ธัตถะยังไม่ได้บวชพอบวชก็เปลี่ยนชื่อเป็นสมณะโคดมนามสกุลโคตมะนามสกุลของพระพุทธเจ้าคือโคตมะ เขาใช้เรียกเป็นสัมมณะเป็นนักบวชไปแต่ตอนที่อยู่ในวังเป็เจ้าชายก็ใช้เรียกชื่อสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะคนเดียวกันเหมือนโยมเวลาโยมโยมไม่ได้บวชก็ชื่อนายสมชายในายกอในขอนามสกุลนั้นนามสกุลนี้แต่พอมาบวชปั๊บอุปชาก็จะเปลี่ยนชื่อให้เป็นนามสกุลให้ให้มีฉายาแทนแทนนามสกุลเก่า Okay, ใจเป็นคนเดียวกันเข้าใจแล้วครับ <Okay. S 1> โอเคเอาอย่างังถามไหมฮะถามต่อมาป้ อ, อปิดปิดมาอนั้นวันนี้หนูหนูไม่แน่ใจว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าเจ้าค่ะว่ า, วาการมีสติที่ร่างกายลูกตาที่เราเห็นภาพได้ยินเสียง อย่างเนี้ยคะ่ะตอนเราลืมตาเราจะใช้สติปฐานแล้วก็เราลึกรู้สึกตัวแล้วในตอนเข้าสมาธิเราก็จะเห็นเห็นเราก็จะคิดเห็นความคิดแล้วก็เห็นภาพต่างๆที่เข้ามาปรากฏในในในในเห็นในตอนหลับตานะเจ้าคะ่ะแล้วอันนั้นก็คือว่าเหมือนเหมือนกับภาพที่เราลืมตาใช่ไหมคะ ลักษณะขายกันแล้วเราก็ใช้สติปฐานเข้าไปเราลึก ร, รู้สึกตัวเพื่อไม่ให้ไปตามสิ่งที่เห็นเจ้าค่ะคือเราต้องมีอะไรยึดไว้เป็นสติเห็นเราต้องมีพุโทโธพุธโทโธแล้วให้รู้อยู่กับพุโทโธอย่างอื่นเมี่อไรมีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มั น, น, นลืมตามขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธเห็นอะไรก็เฉยเฉยไปอยู่กับพุโทโธไป หนูเพิ่งจะเห็นว่าใช้สิ่งที่เห็นสิ่งที่หนูไม่รู้ว่าหนูควรจะรู้สึกไม่เมมจ้าค่ะต า, ตามเห็นตามรู้มันใจมันจะลอยตามไปให้รู้อยู่กับพุทธโธให้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับสิ่งต่างๆที่ไปรับไปรู้ไปเห็นเถ้าไปรับไปรู้ไปเห็นมันจะไม่สงบถ้าอยากจะให้มันสงบนิ่งต้องอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียอย่างเดียว ใช่ค่ะเราเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมอย่าไปเห็นเห็นก็เฉยไปกลับมาที่พุทโธพุทโธให้เห็นพุทโธอย่างเดียวให้รู้พุทโธอย่างเดียวนี่เป็นการฝึกสติถ้าเห็นนู่นแล้วตามไปแล้วได้ยินนู่นก็ตามไปแต่ว่าเนี่ยมันก็พาไปที่แม็กโดนัลล์หน่อยเนี่ยมันก็พาไปที่พิซซ่าฮัทหน่อยแต่ถ้ามีพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่บ้านอยู่วัดได้มันไม่ไปไหนเข้าใจไหย เข้าใจค่ะคับเราต้อการฝึกจิตให้อยู่น <Jub ilee> ิ like yeah ่งให้อยู่เฉยเฉยไม่ให้ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเวลาอยากได้ก็ทุกข์พอได้มาพอมันหมดไปก็ทุกข์อีกอย่างีอย่าไปอยากดีกว่าเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะโอเคงั้นการฝึกสติต้องอยู่มีพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้กลับมาที่พูดโทพูดโทอยู่เรื่อยๆคุณตูานวัสการกับพระอาจารย์หนูมีคำถามต่อจากคุณตาค่ะเรื่องนิวรณ อ, น อ, อคนที่ปฏิบัตินะคะจะมีนิวรณแล้วสำหรับพระอริยบุคคลนะคะที่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งนิวรณยังมีอยู่ไหมคะ ไม่มีแล้วล่ะถ้าได้ขั้นสมาธิได้อัปปนาสมาธิแล้วก็นิวรณ์ก็แสดงไม่มีกําลังพอที่จะมากั้นได้ค่ะก็คือสมมติว่าสําเร็จเป็นพระโสดาบันนิวรณ์ก็จะไม่มีแล้วถ้ามีอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้สักขั้นถ้ามีอยู่เป็นสังโยชน์สังโยชน์ยังมีอยู่คิดยังฟุ้งซ่านได้แต่เป็นสุ่งผ่านในลักษณะของการเจริญปัญญาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักคิดไม่พักอะไรคิดตะฟุ้งแต่ไม่ได้ฟุ้งไปทางโลกไม่ได้ฟุ้งไปทางลาภยุทธะเสริอสุข ลุวงในทางปัญญาจะหาวิธีฆ่ากิเลสอย่างไงดีค่ไใคิดมามันยิ่งคิดก็ยิ่งคุ้งขึ้นมาค่แบบนั้นนะคะ อ, งงอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนิวร น, น, น, นเขาเรียกสังโยชน์ก็คือหาวิธีกำจัดมันไม่เรียกนิวรนแต่ แต่ถ้าสมมติว่าหนูนั่งนั่งอยู่แล้วหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยแล้วคิดนนจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวคือนนิวรณ์แต่ถ้าเกิดนั่งแล้วคิดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วพยายามระงับหรือหาอะไรมาให้มันมันหยุดความอยากแบบ น, นั้นเรียกสังโยชนิปัญญาส ม, มาธิเลยคาะค่ะ <Ooh. S 1> เข้าใจแล้วค่ะอคิดถึงก๋วยเตี๋ย ว, วคิดถึงเวลามันอยู่ในท้องเราเป็นยังไงเวลามันออกมาจากท้องจากจากร่างกายเราเป็นยังไงมันก็จะได้ไม่อยากกินพยานว่านั่นคือปัญญา คำถามฝากถามจากหน้ากุติค่ะขณะนั่งสมาธิได้มีสติกับผู้โทจากนั้นตามลมหายใจมีความสว่างสงบได้ยินเสียงต่างๆได้กลิ่นรู้สึกถึงลมพัดสัมผัสร่างกายยังอยู่กับลมหายใจแต่ไม่รู้สึกราคาญหรือยินดีกับสิ่งที่มากระทบนี้เรียกว่าเป็นอปปนาสมาธิตามที่พระอาจารย์ได้สอนเมื่อสักครู่หรือ ย, ยังเจ้าคะ กราบขอบพระคุณค่ะก็ปัญนาสมาธิมีสองลักษณะคือรวมลงแล้วทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่จิตนวลๆสักแต่ว่ารู้ตอนนั้นรู้เสียงกินเนื่องของร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของจิตตอนนั้นจิตก็วางเฉยไม่มีไม่มีความรักชังกลัวหลงหรือสงบแบบที่ยังมีการรับรู้ร่างกายอยู่ยังรับรู้เสียงรับรู้ความรู้สึกที่เข้ามาทางร่างกายว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่จิตไม่มีความรู้สึกวุ่นวายไปกับมันจิตเฉยเฉยอยู่กับมันได้อันนี้ก็เป็นอปปนาสมาธิอีกรูปแบบคำถามจากคุณปริตาภาบางครั้งเวลาจิตฟุ้งซ่านพุดโทเอาไม่อยู่เราควรใช้วิธีไหนคะกำจัดความฟุ้งซ่านวิตกกังวลคนที่ชอบวิตกกังวลจะทำเช่นไรให้จิตสงบง่ายคะก็ถ้ามีความสามารถคิดทางปัญญาก็ใช้ปัญญาได้เช่นเราวิตก เกี่ยวกับเรื่องโครคภัยแค่เจ็บของเราโกยจะเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้ย่ก็พิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องเป็นโรคไม่ช้าก็เร็วห้ามมันไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้ว่าร่างกายนี้อย่ามีโรคมะเร็งเป็นอันขาดนะสั่งไม่ได้ถ้ามันจะมามันก็มาถ้ามันจะไม่มาก็ไม่มาให้เรามองแค่ว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนดังนั้นเราต้องทำใจ ย, ยอมรับมันนะมันจะมาก็มาจะเป็นมะเร็งก็เป็นไป อย่างแม่มันก็ต้องตายเหมือนกันจะเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นมะเร็งเมื่อถึงเวลานันมันก็ต้องตายเหมือนกันเราพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายและพอจิตยอมรับได้ความกังวลความวิตก ก, กับร่างกายก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นใช้ปัญญาอบรมสมาธิคำถามจากคุณอนุมาเราควรวางจิตยอย่างไรกับคนที่มาว่าเราคะรู้ทั้งรู้ว่าเขาอาจมีปัญหาทางจิตแต่ก็อดที่โกรธไม่ได้คะ่ะ ก็มองเขาไปเหมือนเสียงธรรมชาติไปเสียงลมพัดไปเสียงนกร้องไปที่เราก็ห้ามก็ไม่ได้นกมันจะร้องจะไม่ร้องมันจะด่าเราไม่ว่าเราเราก็ไม่สนใจอันใดมันก็เป็นเสียงเหมือนกันเป็นธรรมชาติเป็นหน้าตาไม่มีตัวตนนั้นเราต้องสกใจมองให้เห็นว่ารูปเสียงกินรลดนั้นเป็นภาวะทางธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีใครไปไปสั่งให้มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันมีเหตุมีปัจจัยเรามีหน้าที่รับรู้มันก็รับรู้ไปเฉยๆไม่ต้องมายินดียินร้ายคําถามจากอินบอกจากพี่เปอร์โยกับน้องเบอร์เช่เราทําไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานทั้งที่เราขอโทษแล้วแต่เพื่อนยังโกรธอยู่แต่ใจเราสบายในระดับหนึ่งที่ได้ขอโทษแต่อีกใจก็กลับไปโกรธตอบต้องทําอย่างไรดีคะเขาไปก่อนเขาทําำมาเขาไปขอโทษเขาเราไปโกรธเขาทมา ก, ก่อนก็ว่าอยากให้เขาให้อภัยเราอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีขอโทษที่ถูกต้องการขอโทษเป็นการบอกเขาว่าทำนึกผิดคุณจะให้อภัยเราหรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่เราขอแสดงความสำนึกผิดของเราเราจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปส่วนเขาจะให้อภัยหรือไม่นี่มันก็อยู่ที่ว่าใจเขาใจเขาทําได้หรือไม่เพราะบางคนเพราะโมโหมากๆและเกลียดมากๆ ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก็จะให้อภัยยากเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขา อย่าไปโกรธเขาแต่อย่างน้อยเราทําหน้าที่ส่วนของเราไปแล้วเราทําหน้าที่แสดงความเสียใจไปแล้วเ่องเขาจะให้อภ uh, ัยเราหรือไม่น like ี่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาให้อภัยได้ใจเขาก็จะเย็นใจเขาก็จะสบายถ้าก็ยังให้อภัยไม่ได้ใจเขาก็จะทุกข์ร้อนเหมือนกับเราครั้งที่เราไปขอเขามาเขาได้มันก็จะทำให้ใจเราเย็นลงถ้าเราไม่ขอเขามาใจเราก็ยังทุกข์ร้อนอยู่นั่นเป็นเรื่องของใจของแต่ละคนที่จะต้องทําใจกัน เรามีหน้าที่ขอเข้ามาก็ขอไปส่วนเขามีหน้าที่จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยก็เป็นเรื่องของเขาไปเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราไปอย่าไปโกรธเขาที่เราไปโกรธเขาเพราะราหวังให้เขาให้อภัยเรามันซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเป็นไปก็ได้ไม่เป็นไปก็ได้เพราะเราเป็นเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คําถามจากคุณประสิการ ได้ค่ะนิกะสมาธิแล้วภาวนาอย่างไงต่อครับพระอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นอย่างบรรณาสมาธิพออจากสมาธิมาก็เดินจงกรมต่อหรือนั่งต่อแล้วก็พุทโธใหม่ต่อนั่งต่ออีกรอบหนึ่งรอบแรกได้แค่นี้รอบที่สเราองพุทโธพุทโธต่อไปดูลงต่อไปจนกว่ามันจะเข้าไปในสมาธิได้ถ้ามันเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าสติมันหมดกําลังก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้ พอนั่งแล้วมั น, ม, นมันทนนั่งไม่ไหวมันเจ็บ่าเปลีย น, นการเปลี่ยนท่าจากการนั่งมาเดินเดินก็มันจริยนสติต่อให้มีสติมีพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วพอเดินไปสักพักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับมานั่งต่อ <S <S <ๆ>ก็จะนั่งสงบได้นานขึ้นไปเรื่อยๆสติไปนเหมือนน้ำมันรถยนต์พอเราขับรถไปเติน้ำมันไปพอนะพอถึงที่หนึ่งมันก็น้ามันหมด อยากจะไปต่อก็ต้องไปเติมน้ำมันก็นเหมือนกันเราเวลานั่งสมาธิเราก็ใช้สติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบพอมันนิ่งสงบปั้มสติมันก็หมดกําลังจิตมันก็ถอนออกมาถ้าเราอยากให้มันสงบต่อไปเราก็ต้องเติมสติใหม่พุโทโธพุโทโธใหม่จะพุโทโธต่อตอนที่เรานั่งเลยก็ได้ถ้านั่งได้ก็พุโทโธต่อไปเลยถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่ากลับมานั่งต่อได้ก็กลับมานั่งใหม่ สลับกันสมาธิกับสติในเบื้องต้นต้องทําสลับกันเวลาไม่ได้เข้าสมาธิก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อยเวลานั่งก็ให้ใช้สติพาให้จิตให้เข้าสมาธิพออยู่ในสมาธิมันก็จะนิ่งตามกําลังของสมาธิตามกําลังของสติสติมากก็จะนิ่งได้นานสติน้อยก็จะนิ่งได้ไดไม่นานพอจากสมาธิมาก็เติมน้ํามันใหม่ตามสติหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ฝึกสติกับสมาธิไปก่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาปัญญาบันทึกขั้นตอนหนึ่งที่เรายัางไปไม่ถึงอย่าข้ามขั้นตอนถ้าเราไปทางปัญญาใจเราจะไม่มีกำลังสู้กับกิเลสได้ถ้าปัญญาบอกว่าความทุกข์เกิดจากความอยากเราก็จะหยุดความอยากไม่ได้คำถามจากคุณอริสาขอกาเรียนถามว่า ผู้หญิงที่มีความสนใจอยากปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ยังไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยใช้ยามเกษียณจึงมีความกังวลทำไมทำให้เกิดการทำสมาธิยากแบบนี้คุณไปบวชชีมไหมคะกลัวว่าอย่างนั้นก็จะเป็นภาระวัดอีกควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีคะไม่เป็นภาระหรอกเขายินดีส่งเสริมคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นภาระพระพระก็มาเป็นภาระของญาติอยมเลย ไม่เป็นหรอกมันเป็นการทําบุญเขายินดีที่จะทําบุญกับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติก็ไปบวชชีไปอยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินทองวันนั้นเขาก็จะมีปัจจัยสี่คอยดูแลเรามืออย่างครบถ้วนบริบูรณ์มีอาหารให้เรากรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มให้เราสวมใส่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติแล้วาทาหน้าที่ส่วนรวม เป็นช่วยกันทําความสะอาดช่วยกันทําอะไรต่างๆที่จะเป็นต้องทําร่วมกันไม่ใช่ไปกินไปนอนอยู่ในวัดนี้ถ้าอย่างนี้มันเป็นเป็นภาระการอาศัยวัดอยู่โดยที่ไม่ทําอะไรเป็นเป็นการตอบแทนบุญคุณของวัดการตอบแทนบุญคุณของวัดก็คือต้องปฏิบัติต้องศึกษาธรรมแล้วก็ต้องทําหน้าที่ที่ทางวัดต้องต้องมีให้ทําก็คือการดูแลทําความสะอาดการ ทำอะไรต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันทําไม่ใช่ไปไปไปอยู่ไปกินไปนอนถึงเวลาก็ออกมากินพอกินเสร็จก็กลับไปนอนโดยปฏิบัติธรรมไม่สนใจกับภารกิจต่างๆที่คนอื่นเขาทํากันอย่างเงี้เรียกเป็นภาระของวัดถ้าไปไม่เป็นภาระของวัดก็ต้องไปทําแบ่งเบาภาระด้วยการกับด้วยทํางานทําหน้าที่ของเราช่วยวัดไปแบ่งเบา คำถามจากคุณ24บกรบาดมรสการและสอบถามพระอาจารย์ครับไปงานศพและได้ยินคนพูดว่าขอให้ได้เกิดมาพบกันอีกมาเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องกันอีกแต่ในใจเรากลับคิดว่าอยากเกิดทำไมการเกิดไม่ดีหรือเวลาคนอวยพรกันให้อายุยืนแต่ความคิดในใจตัวเองกลับคิดว่าหากเป็นตัวเราเราไม่อยากอายุยืนมันมีแต่ทุกข์ดังคาสอนของพระพุทธศาสนาการมีความคิดแบบนี้ผิดถูกอย่างไรควรวางใจ อย่างไรครับก็ถูกการเกิดไม่ดีหรอกเกิดแล้วก็ต้องมาแก่ ม, มาเจ็บมาตายแต่คนที่เขาไม่ได้คิดแบบเราก็มีเขาคิดว่าเกิดแล้วจะมีความสุขจะได้มาเจอคนนั่นคนนี้ที่เรารักที่เราชอบได้ทําสิ่งที่เรารักเราชอบเขาก็อยากจะมาเกิดกันเขามองด้านสุขเขาไม่เขาไม่เห็นด้านทุกข์เขาก็อยากจะมาเกิดกั น, น, น, น, กกกกกนแต่เราไปเห็นด้านทุกข์เราไม่เห็นด้านสุขเราก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็คือเรามีทัศนคติต่างกันอื เขามีมิจฉาทิฏฐิเรามีสัมมาทิฏฐิเร <c oughs> าเจ้าบอกต้องเห็นทุกข์ถึงจะได้ไม่อยากจะมาเกิดถ้าเห็นถ้าเห็นการเกิดเป็นสุขมันก็อยากจะกลับมาเกิดกันแล้วพอมาเจอความทุกข์ก็รับไม่ได้พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามองว่าการมาเกิดนี้เป็นทุกข์มันก็จะทําให้เราไม่อยากจะกลับมาเกิดอันไม่ถิดทั้งเขาทั้งเขาทั้งเราเขามองด้านหนึ่งเรามองอีกด้านหนึ่งเราจะมองคนละด้านเท่านั้นเอง คำถามจากคุณลิลี่คำถามต่อจากคุณตาที่ถามคนแรกค่ะพระอาจารย์บอกว่าสวดมนต์ไม่รู้คําแปลจะได้สมาธิหลายครั้งสวดมนต์ดังๆหลายบทจนคร่องก็ยังเผลอแวบคิดนั่นคิดนี่ก็ยังไม่มีสมาธิจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็อย่าเผลอสิยพยายามฝึกไปเรื่อยๆให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่สมาธิจากการสวดมนต์มันไม่ได้เป็นแบบคณิก ะ, ะหรืออภปานานะมัน เพียแต่มันสงบจากความฟุ้งซ่านถ้าเราไม่สวดไม่ได้ดดจะฟุ้งซ่านอยู่าเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้แต่พอเรามาสวดมนต์ปั๊บเรื่องของคนนั้นคนนี้มันก็หายไปจากใจเรามันก็สงบในระดับหนึ่งแต่มันไม่จะสงบแบบอัปปนาสมาธิแลคณิกะสมาธิแต่ย่างใต้องเขาต้องเข้าใจก่อนความสงบมีหลายระดับด้วยกันหมดแล้วยัง อีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคาาจากคุณเบิ่มนิมิตหลวงพ่อมีคาถาอะไรที่การคุณใสน้ามันพลายหรือพวกน้าม้างัหมครับพุโทโธพุโทโธเนี่ยคาถาวิเศษที่สุดอ้างพุโทโธพุโทโธพุทโธไปแล้วทุก อ, อย่างจะดีขึ้นเองโอเคท่านนั้นนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัต